ยี่สิบถ้าเรารู้เราจะหลุดออกจากโลกของความคิดวงเล็บเปิด2 1มีนาคม2551ในวงเล็บสองวงเล็บปิดคำว่าในเครื่องหมายคำพูดทิชตีแปลว่าความคิดความเห็นความเห็นเกิดจากความคิดนั่นแหละถ้าเมื่อใดรู้เมื่อนั้นไม่คิดเมื่อใดคิดเมื่อนั้นไม่รู้เวลาที่คิดยังเราคิดว่าร่างกายนี้เป็นปฏิกูลอสุภะความคิดนี้เป็นสิ่งปิดบงังความจริงเอาไว้ ถ้าเมื่อใดเรารู้เป็นนะเราจะหลุดออกมาจากโลกความคิดเลยเวลาที่จิตไปคิดให้รู้ทันว่าจิตไปคิดถ้าเมื่อใดรู้ทันว่าจิตคิดจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในภาวะแห่งการรู้ทันทีที่อยู่ในภาวะแห่งการรู้สติปัญญามันจะเห็นทันทีเลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรา มันจะเห็นทันทีว่าเวทนาสุขทุกข์เฉยๆไม่ใช่เรามันจะเห็นกุศลอกุศลทั้งหลายไม่ใช่เราแล้วมันก็เห็นว่าตัวจิตเองก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดจะเห็นอย่างนี้ถ้าคิดเท่าไรไม่รู้หยุดคิดถึงรู้นะพอหยุดคิดทำไมรู้เพราะความคิดปิดบังรู้อยู่อย่างเราคิดเอานะว่าเราเป็นผู้ชายเราเป็นพระในความจริงเป็นไหมความเป็นจริง เป็นก้อนธาตุก้อนขันไม่มีผู้ชายไม่มีพระนะฉะนั้นความคิดมันปิดบังความจริงเอาไว้ตลอดเวลาตราบใดที่ไม่สามารถทะลุทะลวงตัวเองออกจากโลกของความคิดได้ก็จะวนเวียนอยู่ในโลกของความคิดไม่สามารถเห็นความจริงได้